ยังมีแผนการต่อไปอีกหรอือต้องมีแน่แผนการขั้นที่หนึ่งผ่านไปได้อย่างง่ายแต่คือการทําให้คนทั้งสองแตกแยกแต่แผนการขั้นที่สองที่จะทําให้ลีลาวดีรักข้าพระเจ้าจนยอมแต่งงานนี่สิพื่อรู้ว่าจะง่ายหรือเปล่าแต่แม่เชื่อความสามารถของเจ้าต้องสําเร็จแน่มีแม่คนให้กําลังใจอย่างเนี้ยข้าพระเจ้าคิดว่าต้องสําเร็จเหมือนกัน <laughs> <laughs> ได้รับจดหมายของดิลาวดีแล้วทาให้เกิดความโกรธแค้นจริงทางอย่างรุนแรงเคยรักเธอมากเท่าไรก็เกลียดมากเท่านั้นความโกรธแค้นอันเกิดจากความผิดหวังในดิลาวดีทําให้ความคิดอ่านเปลี่ยนแปลงไปในแนวใหม่ความรักที่เคยมีต่อดิลาวดีอย่างท่วมหัวใจได้ถูกความโกรธแค้นเขาที่น่าไปจิ้มตั้งจิตตัวลึกถึงพระบรมศ า, ศาสดา ตั้งแต่นี้ไปข้าพาเจ้าขอมอบอุทิศชีวิตในพระพุทธศาสนาขอตายในร่มกาสาวพันและขอเว้นขาดการติดต่อกับสตรีเพศขอเทพเจ้าในสากลญแจปรวาตจงเป็นพยานแก่ข้าพาเจ้าด้วย สะพายบาทแบกกดข้ามแม่น้ำอาจิราวดีไม่ได้กลับไปบอกท่านอาจารย์ต้องการไปอย่างเงียบเชียบไม่ให้ใครรู้โกลัเขาจะตามไปพบตัวเมื่อข้ามแม่น้ำอัจิราวดีแล้วก็เดินทางข้ามทุ่งนาป่าไม้ไปทางทิศตะวันออกอย่างรีบเร่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนเพื่ออะไรมีจุดประสงค์อยู่เพียงอย่างเดียว ต้องการหลีไปจากกรุงสาวัตถีจากลีลาวดีผู้ทรอยศ็เทไกลที่สุดเข้าที่จะไกลได้ในที่สุดก็กลายเป็นคนผนเ อ, นอกจรในครั้งนั่งและคงผนเนกจรต่อไปตลอดชาติเป็นชีวิตที่ระหกระเหินพอดุน ค, คิดก็สงสารตัวเองถ้าพรพรหมเป็นผู้ลิขิตเส้นชีวิตของคนทุกคนจริง พระองค์คงกำหนดให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สแสดงบทสกกบนเวทีโลกเป็นแน่ การทรยศของลีลาวดีทาให้หมดความอะไรในสิ่งใดๆทั้งหมดรวมทั้งชีวิตของตัวเองสะพายบาดแบกกรดท่องเที่ยวไปอย่างคนไร้จิตเวลาผ่านมาแล้วมากน้อยแค่ไหนไม่ได้เอาใจใส่หน้าที่คือการเดินทางอย่างเดียวเดินต่อไปข้างหน้าจนกว่าจะหมดกําลังขาท่องเที่ยวไปอย่างอิสระ กระดุดปลาที่ท่องเที่ยวไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เหมือนนกน้อยที่บินไปในท้องน้ำอากาศอันไพศาลตลอดระยะทางอันยืดยาวที่ผ่านมาได้พบกับภูมิประเทศแตแปลกได้ไปเผชิญกับความยากลำบากนาน า, นาประการได้พบกับคนหลายชาติหลายวันนะดหลายธรรเนียมประเพณีสิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนยาที่ช่วยสมานแผลในหัวใจให้ดีขึ้น ดีลาวดีค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจำทีละน้อยสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความรักในการเดินชมสิ่งแปลกๆในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลความรักอันเยือกเย็นในธรรมชาติของป่าและลำนาวไฟซึ่งปราศจากเล่เหลี่ยมกกนโกง บ้านน้อยเมืองใหญ่นับจานวนไม่ท้วนผ่านมาแล้วจะไม่มีที่แห่งใดเรื่อนรมเท่ากับถ้นภูเขาและราบป่าอันเงียบสงัดในชนบทที่ห่างไกลลานหินอันราบเรียบและทุกสชาตอันร่มเย็นมีความหมายยิ่งกว่าครึ่งหาตอันโอโถงเสียงน้ำไหลเตาะซอกหินในลำธารและเสียงกรีดร้องของจับจันเรไรในป่า ฟังเพ<ห>รอกว่าเสียงเพลงขับคลอด้วยดนตรีของชาวเมืองแสงเดือนดาวในราตรีก็เหมือนจะเย็นตาหน้าชมกว่าแสงประทีปโคมไฟลาสีในนครสิงสาราสัตว์ในปา่าถ้าเราพบกับมันด้วยจิตเปี่ยมเมตตาดูหน้าคบไม่แท้มนุษย์ผู้เจริญได้วัฒนธรรม ที่ท่องเที่ยวไปก็สั่งสอนประชาชนไปด้วยการสั่งสอนผู้อื่นก็คือการสั่งสอนตัวเองจิตใจดีขึ้นทุกๆวันที่ผ่านไปเมื่อพบหมู่บ้านก็หยุดพักในป่าในใกล้หมู่บ้านนั้นตื่นเช้าก็เข้าไปบินทบากในหมู่บ้านได้อาหารพอเลี้ยงที่ไปวันหนึ่งวันหนึ่ก็กลับมาฉันอย่างที่พักถ้ามีชาวบ้านออกมาสนธนา ด, ด้วย ก็สนทนากับเขาสั่งสอนเขาในหลักธรรมของพระบรมศาสดาถ้าชาวบ้านนิมนต์ให้พักอยู่หลายวันถ้าสะดวกสบายก็พักนานแต่ไม่เคยพักอยู่ที่ใดเกินกว่าห้าวันเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องยุ่งไม่มีที่สิ้นสุดถ้าพักอยู่นานกว่า น, นั้นก็จะพลอยยุ่งกับเขาไปด้วยเพื่อห น, นีให้พ้นจากความยุ่งจึงเดินทางต่อไป สิ่งหนึ่งที่ต้องต่อสู้ตลอดระยะทางนั่นก็คือลทัทธิความเชื่อถือของประชาชนในทินต่างๆบางอย่างก็เป็นความเชื่อเก่าๆไร้เหตุผลและฝังหัวของชาวบ้านมาเป็นเวลาหลายร้อยปีจำไหนที่สุดก็มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำคงคาในเขตแขวคว้นมคต นับถืออะไรเป็นที่พึ่งพวกข้าพเจ้านับถือมูนีทั้งเจ็ดเป็นที่พึ่งมุนีทั้งเจ็ดที่ท่านว่านั้นคือใครอยู่ที่ไหนหมูนีทั้งเจ็ดคือกษัตยปะอตรีภารทวาชะโคตมะวิศวามิตราธรรมทัคกนิว่าสิดะมุนีทั้งเจ็ดนี้เกิดก่อนพระเวพรสสี เวลานี้อยู่บนสวรรค์ในคืนเดือนมืดท้องฟ้าปลอดโปรง่งถ้าท่านมองขึ้นไปบนฟ้าจะพบดาวเจ็ดดวงที่เรียงรายกันอยู่มีรูปร่างคล้ายหมีนั่นแหละคือมุนีทั้งเจ็ดของพวกขพเจ้ามุนีทั้งเจ็ดเป็นที่พึ่งแก่ท่านได้ยังไงมูนีทั้งเจ็ดลงมาสารวจโลกเป็นครั้งคราว ถ้าผู้ใดมีความพักดีในท่านยางมั่นคงตั้งใจกราบไหว้บูชาท่านด้วยความเคารพท่านก็จะโดยมันดานให้คนผู้นั้นมีความสุขประสบโชคคาราบเมื่อตายแล้วก็จะขึ้นสวรรค์แล้วท่านละ่ะท่านสมณะท่านนับถืออะไรเป็นที่พึ่งอาตมาไม่นับถืออะไรเป็นที่พึ่งไม่นับถือใครเป็นที่พึ่ง อาตมาพึ่งตนเองข้าพเจ้าไม่เข้าใจพระบรมครูขออาตมาสอนไว้ว่าอตตาหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นที่พึ่งของตนถูกแล้วโกหินาโถอโรโศยาคนอื่นใครเล่าจะมาเป็นที่พึ่งได้อาตมาเชื่อคําสั่งของพระบรมครูจึงถือตนเป็นที่พึ่ง ท่านเป็นมนุษย์ไม่มีอำนาจปาฏิหารอะไรไม่มีฤทธิเดชอะไรจะพึ่งตนเองได้อย่างไงก็อาตมาไม่มีฤทธิเดชนี่ล่ะจึงต้องคิดพึ่งตัวเองถ้าอาตมามีฤทธิเดชอย่างมุนีทั้งเจ็ดอาตมาก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งตัวเองก็พเจ้างงไปหมดแล้วฟังอาตมาสิในบ้านเวลานี้อาตมาเปรียบเสมือนบุรุษ ที่ลอยอยู่บนท้องทะเลหลวงเพราะเรืออับปางอัตมาต้องอาศัยมือเท้าและกำลังของตัวเองว่ายน้ำไปจนกว่าจะถึงฝั่งอัตมาต่อสู้กับคลื่นและฉลามร้ายเองไม่มีใครมาห้ามลูกคลื่นไว้ได้ไม่มีใครมาจับปลาฉลามผูกไว้ไม่มีใครมาจับมือจับเท้าของอัตมาให้ว่ายน้ำอัตมาต้องทำเองทุกอย่างโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่แหละ คือท้องทะเลหลวงโลกนี้คือท้องทะเลหลวงเปรียบเทียบเช่นนั้นเราเกิดมาในโลกก็เท่ากับตกลงไปลอยคอยอยู่ในทะเลหลวงเราต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อชีวิตของเราคงอยู่เราต้องหาที่อยู่อาศัยมาป้องกันแดดฝนเราต้องหาเสื้อผ้ามานุ่งห่มเราต้องหายามารักษาโรคเมื่อเจ็บป่วยสิ่งเหล่านี้ไม่มีเทพเจ้าองค์ใดนํามามอบให้เราปอเปล่าๆ ทั้งที่แสวงหาตัวเป็นเกลียวยังไม่ค่อยจะได้สมปรารถนาเลยฉลามร้ายและลูกคลื่นในท้องทะเลก็คือความยากลำบากทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเป็นครั้งคราวเช่นการเจ็บป่วยน้ำหลากมาท่วมข้าวในนาเกิดโรคระบาดจนผู้ร้ายปล้นสะดมไฟไหม้บ้านอุปสรรคเหล่านี้ลหละต้องต่อสู้ช่วยตัวเองก่อน จะวิงวอนให้เทวดาที่ไหนมาช่วยได้ที่ท่านพูดมานั้นนับว่าเป็นความจริงท่านยอมรับใช่ไหมทื่ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นความจริงนั้นเป็นความจริงสําหรับวัตถุภายนอกที่เราหามาเอง แต่สำหรับความสุขภายในใจนั้นเราไม่อาจหาเอาได้ทำไมละ่ะเพราะว่าความสุขนั้นเป็นพรพิเศษที่โมนีทั้งเจ็ดประทานให้กับผู้ที่จงรักภักดีในท่านดูก่อนอุบาสกความสุขนั้นมีอยู่สองอย่างคือสุขอิงอาศัยวัตถุกับความสุขไม่อิงอาศัยวัตถุช่วยอธิบายหน่อยเถอะดั่งสมณนะ สุขอิงอาศัยวัตถุได้แก่สุขที่เกิดจากมีอาหารบริโภคเพียงพอมีเคหือสถานอยู่อย่างสบายมีเสื้อผ้าและเครื่องประดับกายเพียงพอมียาสําหรับให้ความอบอุ่นใจนี่คือสุขอิงอาศัยวัตถุแล้วสุขที่ไม่อิงอาศัยวัตถุล่ะท่านสมณะความสุขที่ไม่อิงอาศัยวัตถุได้แก่ความสุขอันเกิดจากการเสียสละทั้งปวง ด้วยการออกไปบวชเป็นบรรพฑิตอยู่ในป่าอันสองบเงียบทาความเพียรขจัดกิเลสต่างๆออกไปจา ก, ก จ, จิตใจนี่คือความสุขไม่อิงอาศัยวัตถุและที่ท่านว่ามุนีทั้งเจตให้ความสุขนั้นละ่ะให้ความสุขชนิดไหนเอความสุขที่ท่านมุนีทั้งเจตให้ข้าพาเจ้าเอหมายถึงความสุขทั้งสองอย่างหมายความว่าความสุขทั้งสองอย่างนั้น มุนีทั้งเจ็ดเป็นผู้มอบให้ท่านเองอย่างนั้นใช่ไหมถูกครับความจริงท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าความสุขชนิดแรกเกิดจากทรัพย์เมื่อทรัพย์เพียงพอสุขชนิดนี้ก็เกิดมีขึ้นท่านยอมรับแลย ว, ว่าทรัพย์ทั้งหลายที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ท่านต้องหาเอาเองจึงได้มาไม่มีเทพเจ้าองค์ใดหยิบยื่นให้เมื่อท่านหาทรัพย์เองให้ความสุขเองเช่นนี้ จะว่ามุนีทั้งเจ็ดเป็นผู้ให้จะชอบด้วยเหตุผลแล้เหรอดูก่อนอุบาสกความสุขชนิดที่สองคือสุขไม่อิงอาศัยวัตถุเป็นสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์แห่งใจเมื่อท่านทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากความห่วงความกังวลความโลภความโกรธความหลงโดยสิ้นเชิงแล้ว ความสงบสุขเยือกเย็นก็จะเกิดขึ้นจิตใจของท่านจะบริสุทธิ์ได้เพราะการชำระของท่านเองท่านขัดสีซักฟอกจิตใจของท่านเองเมื่อมือของท่านเปื้อนเปื้อนสิ่งโสโครกท่านต้องใช้น้ำล้างมือจึงจะสะอาดถึงท่านจะทำการบูชาต่อเทพเจ้าวิงวอนให้มือของท่านสะอาดสักเพียงใดมือของท่านก็หาสะอาดไม่ สิ่งโสโครกจะไม่บินออกไปจากมือของท่านเป็นอันขาดจริงของท่านท่านชี้แจงให้ขพเจ้าเห็นแสงสว่างบังเกิดความเลื่อมสายในตัวท่านขพเจ้าขอมอบตัวเป็นสิทธ์ของท่านขปเจ้าขเจ้าขอมอบตัวเป็นศิทธ์กองท่าดูขปเจ้าขอเป็นศิทธ์ด้วยคนเดีดูก่อนอุบาสกไกลจากที่นี่ไปทางทิศตะวันตกมีเมืองหนึ่งนามว่าสาวัตถี เป็นเมืองหลวงของโกศลรัฐที่เมืองนั้นสมเด็จพระบรมครูาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่พระองค์เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอาตมาเป็นสิทธิ์ของพระองค์ท่านทั้งหลายจงตั้งใจระลึกถึงพระองค์ยึดถือเอาพระองค์เป็นหลักใจและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองค์เถิดแล้วท่านทั้งหลายจะประสบสุข ตามสมควรแก่การปฏิบัติของตนข้าพระเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำให้กานแนะนำพระเจ้าก็พร้อมดีแล้วแต่อย่าลืมนะ ว, ว่าทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องทำเองท่านต้องเดินทางเองจึงจะถึงจุดหมายปลายทางพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาและคนอื่นเป็นผู้คอยบอกขนทางเท่านั้น จากหมู่บ้านนั้นแล้วก็ได้เดินทางไปจะถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านนี้ชื่อกันนิกเกขามประชาชนในหมู่บ้านเคารพนับถือพระอาทิตย์เป็นสรณะและเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของมนบทหนึ่งมนบทนี้มีชื่อว่าขยาตรีมนขยาตรีนี้ศักดิ์สิทธิ์มากใช่ไหมโอ้ถูกแล้วเป็นมนที่ศักดิ์สิทธิ์มากทีเดียวแม้แต่เทวดาเมื่อได้ยินมนนี้ยังต้อสัน่น ถึงขนาดนั้นกีน่ล่ะแน่นอนมนบทนี่คนวันณะพราหมเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์สาธยายได้คนวันณะอื่นไม่มีสิทธยยิ์ถูกแล้วมนบทนี้จะต้องสาธยายด้วยเสียงเบาๆทาไมละ่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คนวันนะสูดได้ยินคนวรนนะสูดได้ยินไม่ได้โอ้ไม่ได้เด็ดขาดแม้แต่พันยาในะระหว่างมีระดูก็ไม่ให้ได้ยินสาทะยายมนบทนั้นให้อัตมาฟังหน่อยได้ไหมท่านวันณะอะไรละ่ะ อาตมาเป็นวันประชิตงั้นก็เป็นพรามนะสิเอาเถอะข้าพระเจ้าจะสาพยายมนขยาตรีให้กว่ตัดสาวตระวาเรนยัมภารโคเทวาสยะทิมะหิทิโยโยนาระเลยจโฉทะยั์พวกเราจงน้อมนมัสการซึ่งรังสีอันสูงส่งของพระสุริยเทพกูพ้เป็นใหญ่เหนือสรรพสิ่ง ผู้อาจนำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจผู้เป็นดุจดวงตาที่บนเพดานแห่งสวรรค์ถ้อยคำเกยงเท่านี้มองไม่เห็นเลยว่าสามารถทำให้เทวดากลัวได้ยังไงแต่ก็นิ่งไว้ดีกว่าดีกว่าจะไปขัดคอเขา ขอถามท่านสักหน่อยเถอะเอาสิท่านจะถามอะไรละ่ะท่านก็ได้ฟังข้าพเจ้าสาธยายมนไปแล้วก็แล้วท่านล่ะมีมนสาหรับป้องกันตัวบ้างไหมถ้าไม่มีข้าพเจ้าจะสอนให้ท่านเดินทางท่องเที่ยวไปคนเดียวมีภัยรอบดัดถ้าไม่มีมนป้องกันตัวอาจจะไม่ปลอดภัยมนนั้นข้าพเจ้ามีอ๋อมีเหรอดีแล้วท่านอยากจะฟังไหมล่ะ ท่านจะสาธยายให้ฟัง เ, เหรอถูกแล้วถ้าท่านอยากฟังอัตมาจะสาธยายให้ฟังอยากได้เลยอยาฟังสัพพะปาปะสะอากะระนังไม่ทำความชั่วทุกชนิดกุสะลัทสูปะสัมปทาทำความดีทั้งปวงสะจิตตะปาริโยทะปันนังชำระจิตของตนให้ผ่องใส นี่แลมนของอาตมาผู้ใดปฏิบัติได้ตามนี้ผู้นั้นจะมีความสุขทุกเมื่อมนนี้มีวิธีรักษาอย่างไงบ้างวิธีรักษาแหละมีดังนี้ก่อนที่ท่านจะคิดอะไรจะพูดอะไรก็ขอยคิดดูให้รอบคอบซะก่อนว่าการกระทําการพูดของท่านจะก่อความทุกข์แก่ตนและผู้อื่นหรือไม่ถ้าเห็นว่าจะก่อทุกข์ก็อย่าพูดอย่าคิดอย่าทําจริงนั้นเป็นอนานาร แต่เห็นว่าการกระทํานั้นพูดนั้นจะก่อความสุขให้กับตนและคนอื่นไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมายก็จงทำเถอะถ้ารักษาได้เช่นนี้มนของท่านก็จะขลังแต่ถ้ารักษาไม่ได้มนของท่านก็จะเสื่อมอาจจะมาเดินทางมาคนเดียวไม่มีอา ว, วุธใดๆติดตัวมาเลยได้เผชิญกับสัตว์ร้ายวิศ ร, ร้ายและโจรผู้ร้ายม า, มากแต่มนบทนี้ก็ช่วยคุ้มครอง ให้อัตมาปลอดภัยตลอดมาแล้วข้อห้ามอย่างอื่นล่ะข้อห้ามอย่างอื่นไม่มีอัตมาจะสาธยายด้เสียงอันดังเท่าไหร่ก็ได้จะบอกใครๆต่อไปอีกก็ได้ยิ่งบอกคนอื่นได้มากเท่าไหร่หมนของท่านยิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเท่านั้นเอาละอัตมาขอลาก่อน หญิงร้องไห้ดังมาจากป่าข้างทางใครเป็นอะไรเห็นจะต้องเข้าไปดูช่วยเหลือได้ก็จะได้ช่วยเพระพุทธเจ้าสอนให้มีความกรุณาสงสารผู้อื่นและหาทางช่วยเหลือเมื่อพอจะช่วยเหลือได้หญิงคนนี้จะต้องมีทุกข์อะไรสักอย่างเป็นแน่ไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าจะโวนจากไปเลย ทา่างนี้นไงหญิงแ ก, ก่กำลัง่งร้องไห้ข้ามโครวนอยู่ข้างๆกองไฟใหญ่ตัววันนาร้องไห้ข้ามโครวนถึงคนรักคนใดคนหนึ่งที่ตายไปและขณะนี้กำลังถูกไฟเผาอยู่บนเชิงตะกอนทําไมนะทํำหมถึงอายุท่านอย่างไ้เจ้าจากไปแล้วยังไม่มีวันกลับ ไม่นดูก่อนอุบาสิกานางกำลังร้องไห้คร่ำครวนถึงใครดิฉันกำลังกลั่นครวนทั้งลออโลกอ๋ลูกเหรอดิฉันเหมืนลูกชายคนเดียวเขากมาดูอันจากไปเสีโยโธโลูกอะไรเจ้าช่าไม่สูงสารแม่บ้างเลย ไไมม่่นาจะึปเลยดูก่อนอุบาสิกาอาตมาจะเล่าเรื่องประหลาดให้ฟังเรื่องหนึ่งถ้านางอยากจะฟังอาตมาเชื่อและเตินว่าเมื่อได้ฟังเรื่องดีแล้วื่อทีนางจะสบายใจขึ้นบ้างแ้วขุนดวจะเล่าอะไรกัเรามาเถอะนางต้องตั้งใจฟังนะอย่ามาบังคับนะอาตมาไม่ได้บังคับ เล่าแล้วไม่มีใครตั้งใจฟังจะเล่าทำไมให้เสียเวลาล่ะ เ, เรื่องราวขุนเ่าวเล่าไปเถอะที่ฉันจะตั้งใจฟังเมื่อวานนี้ขณะที่อาตมาตเดินทางมาถึงฝั่งแม่น้ําคงคาอาตมาตได้พบหญิงคนหนึ่งกําลังยืนร้องไห้คร่ําครวญอยู่บนฝั่งแม่น้ําคล้ายกับนางกําลังร้องไห้อยู่เดี๋ยวนี้อาตมาตจึงเดินตรงเข้าไปหา น, น, นางรอข้ายทำไมบอกอาตมาหน่อยได้ไหมข้าเจ้ า, ร, ารอได้รับขัดใจที่มันไม่ยอมทำตามบุพสารดื้อดึงเป็นอีทีใครกันล่ะที่ดื้อดึงท่านไม่เห็นหรออาตมาไม่เห็นมีใครนอกจากนางข้าพระเจ้ามาเยืนอยู่ที่นี่ที่ริมฝั่งนาำไม่ต้องแต่ใจแล้วนางมายืนอยู่ที่นี่ทำไมก็ามาห้ามมันน่ะสิมันน่ะใครละ่ะ ก็น้ำเม่นไม่น้ำเล่นสิน้ำนาำข้ามน้ำเล่นนั่นหระอก็ใช่น้วสินางข้ามอะไรน้ำล่ะเข้าไปเจ้าห้ามปลาไม่ให้น้ำไหลไปทางใต้ปลาโยนได้คำหวานก็แล้วคูเข็้นดาหทอก็แล้วน้ำก็ไม่ยอมฟังเสียงคงไหลไปไม่หยุดยนหยุดไม่ที่น้ำ ด, ดูก่อุบาสิกาถ้านางไปพบหญิงคนนั้นอย่างอาตมานางจะคิดว่าหญิงคนนั้นเป็นคนบ้าหรือดีขอบ้าณที้พระคุณเจ้า ทำไมถึงว่าเขาบ้าล่ะก็มีอย่างที่ไหนแม่น้ำไหลของมันอยู่ปกติจะไปห้ามให้มันหยุดไหลได้ยังไงเมื่อห้ามมันไม่ฟังเสียงแล้วร้องหายเสียใจก็คนบ้าเราดีดนี่เองถ้าหญิงคนนั้นบ้านางก็บ้าด้วยเหมือนกันสิเอ๊ะไอ้ฉันบ้ายังไง เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งโกรธฟังเหตุผลของอาตมาก่อนพระคุณเจ้าม่เหตุผลอะไรก็พูดมาเถอะแต่บอกตามตรงว่าคือพระคุณเจ้าวดดิฉันบ้านั่นแหละดิฉันไม่พอใจเลยจริงๆก็นี่แหละถึงอยากให้นางฟังเหตุผลของอาตมาคนเราทุกคนนั้นเกิดมาแล้วก็ต้องตายไม่มีใครสามารถหักข้ามความตายได้เพราะนั้นเป็นธรรมดาของสัตว์ พืชและสิ่งทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเสื่อมสลายไปไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดการเกิดมาแล้วก็ต้องตายไปตามธรรมดาของมันเหมือนกระแสน้ำในแม่น้ำคงคาไหลไปไม่หยุดยังบุตรของนางเกิดแล้วก็ต้องตายไปตามธรรมดาของเขานางไม่อยากให้เขาตายเพราะความรักเขานางอยากให้เขาอยู่กับนางตลอดไปแต่เมื่อเขาไม่อยู่กับนาง เขาตายจากไปนางก็ร้องไห้ข้ามครูญเมื่อเป็นเช่นนี้นางก็ไม่แปลกอะไรกับหญิงผู้ห้ามน้ําคงคามิให้ไหลไม่สําเร็จแล้วเสียใจร้องไห้นี่แหละอาตมาจึงพูดว่านางก็บ้าเหมือนหญิงคนนั้นฉันบ้าการกระทําของลูกจนันเป็นการกระทําของคนบ้าดูฟอนอุบาสิกา คนเราเป็นสัตว์มีเหตุผลจะทําทอะไรลงไปควรคิดให้ดีซะก่อนว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์และความสุขแก่ตนแก่คนอื่นหรือไม่ถ้าเห็นว่าทําลงไปแล้วไรประโยชน์ก็ไม่ควรทําการร้องไห้ข้ามครวนถึงบุตรที่ตายเป็นแนนี้นานได้ประโยชน์สุขอะไรบ้างประโยชน์สุขยังงันเลอคะ่ะถูกแล้วนานได้ประโยชน์สุขอะไรไหมอันอ่า นางมองไม่เห็นใช่ไหมนั่นเป็นของแน่อาัตามาก็มองไม่เห็นว่าจะได้อะไรมาเลยถึงนางจะร้องไห้จนน้ำตาเป็นเลือดบรของนางก็ไม่กลับคืนมาไม่มีใครเอาแก้วแหวนเงินทองมาให้เพราะการร้องไห้นี้นางต้องเสียน้ำตาเสียกำลังใจเสียสุขภาพอนามัยการร้องไห้ข่มครวมิแต่เสียอย่างเดียว ไม่มีทางได้เลยเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นคนเราถ้าขืนทำสิ่งไร้ประโยชน์อยู่เช่นนี้จะชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีเหตุผลยังไงได้ล่ะโอ้ข้าแต่พระคุณเจ้าคำพูดของท่านถ่วยบรรเทาความทุกโศกของที่ฉันได้มากทีเดียวเป็นพระคุณยางรุนเหลือที่ช่วยให้แสงสว่างแก่ฉันแต่สำหรับบุตรนั่น ดิฉันรักเ้าเกิน